เธอต้องดูแลเขามากกว่างั้นช่วยตอบมาสักคำค่อยไปไม่เจ็บใช่ไหมคนนี้ที่อยู่ดีๆต้องเสียเธอ พวกเขาเป็นคนอ่อนไหว 听见。